50 languages. 28. ่สในโรงแรมการร้องเรียน Hotel v e t e t Shikaita. ฝักบัวใช้งานไม่ได้ Fuhara Kam a i Karaya. ไม่มีน้าอุ่น กร्มพานิไม่มาเรีคุณมาซ่อมมันได้ไหมคะ दे हो ในห้อิสณูที่ท์ร์วาสักเดียวในห้องไม่มีโทรศัพท์ห้องไม่มีระเบียง ห้องนี้เสียงดังเกินไปห้องนี้เล็กเกินไปห้องนี้มืดเกินไปื่องความร้นทํางไน ฮีเตอร์นไครเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานวตนุคูลน์ทำนไเรโทรทัศน์ไม่ทำงานทีวีเซ็ตขรบครดิฉันไม่ชอบเลยเมนูเอะันกไม่ลยคมันแพงเกินไป อ่าेีेรเลยใหญ่ ह ดคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ के ี่ยตัวเด็กโคลฮอร์สต์สที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ क กี थे न ้ ड นेดे ड ़े कोई यूथ ह โ स ् ट ल है มีเบดแอนด์เบรฟาสต์ใกล้ที่นี่มีไหมคะ क กเนेดต ड ดรคคุยเกสต์เฮาส์ มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะเกี่ยเทเนเธอเตเร้คุยรสานอาหา์เหร